พระรหันัพันสองรอห้าสิองค์คือแสดงว่าท่านเหล่านี้มีเป็นพระรหันล่นล้ว น, วนทาวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถอุโบสถใน่าำกลางแห่งท่านภูบริสุทธิ์ลุนล้ว น, วนแต่พวกเรานี่มีแต่คนกิเลสหนาปัญญาหยาบล้่นล้ว น, วนแข่ง วิสุทธิอุโบสถของพระพุทธเจ้าในวันมาคบบูชาไม่น่าละอายตัวบ้างเหรอนั่นท่านว่าท่านออาหนัก น, นถ้าละอายตัวก็ให้ทาความรู้สึกตัวอย่าประมาทอย่านอนใจสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเครื่องประกอบความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าให้เถอสติให้มีปัญญาเสมอเราอย่าะสะทุกสท้านอย่าวันไหว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 อารมณ์นั่นแหละเป็น 50. ค่าสุดคําว่าสมุทัยก็ไม่ใช่อารมณ์จะเป็นอะไรสแสดงออกมาเป็นตัวอารมณ์มนะครับปัญหาอะไรออกมาเป็นตัวอารมณ์ตัวสมุทัยแท้ก็คื อ, อวิชาวิทยาที่สแสดงออกมาก็ออกมาโดยทางอารมณ์ให้เกิดความรักใคร่ปอดใจเกลียดโกรธอะไรเหล่านี้เป็นอารมณ์ทางนั้น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 เรียกวันนโรดนโรดก็เป็นไปในขณะเดียวกันนั้นโดยลำหนับลำหับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งอวสานสุดท้ายทุกจะดับไปโดยลำดับลาดั บ, ด บ, ดบดเทียเล็กและน้อยตามอำนาจของมารคที่ทำหน้าที่ได้ผมน่าน้อยเพียงไรก็เป็นนิโรธออกมาเมื่อมารคมีกำลังเต็มที่ตัดกิเลสขาดโดยไม่มีอะไรเหลือแล้ว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 ตามจริตนิสัยความรู้ความเห็นการจะริตนิสัยจะรู้อย่างไงก็ตามก็คือคือรู้กายรู้สัจธรรมมันนั้นหลักใหญ่ยอยู่ที่ตรงนี้รู้หลายข้างหลายหนก็เข้าใจไปเองป่อวางก็ได้เองเที่ยวกับมฐ า, านนี่เที่ยวตรงนี้อ่ะ เที่ยวกรรมฐ า, านนู่นก็ต้องหมายถึงตรงนี้เป็นไปเที่ยวกรรมฐ า, านในป่านั้นในเขานี้ก็เพื่อจะพิจารณกรรมฐ า, านนี้เองเป็นจุดสําคัญคือเพื่อความสะดวกในการภาวนาถึงจะได้รู้กรรมฐ า, านทั้งห้าธรรมฐ า, านะกับที่ตั้งแห่างงานอันเป็นงานสําคัญพอมีอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในสัจธรรมทั้งสิ้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 อยากละร้อยทั้งน้อยมีแต่เรื่องกิเลสทั้งหมดความฝืนสิ่งกระซิบความฝืนความฝุดลากความฝืนใจนั่นแหละคือธรรมเนเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายจิตใจรู้สึกท้อถอยอ่อนแอนั่นเริ่มแพ้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 ยังไปทันกันไม่เกิดประโยชน์แยกมัน อ, ออกด้วยปัญญามีห้าอาการเท่านี้เนี่ยรูปคือกายเวทนาคือความทุกขทุกเฉยสัญญาคือความจดจำคือความสำคัญต่างๆสังขารคือความคิดความปรุงของจายเนี่ยวิญญาคือความรับผ่านนี่เท่านี้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 ท่านมีความพาสุกสมาอยู่ในท่านการแห่งขันที่เป็นกองเถิงทั้งกองนั้นเรามอยู่ในกองเถิงคือทุกร้อนอยู่ในกองเถิงคือเป็นตะขันจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นน้ำดับไฟให้เป็นความเย็นขึ้นมาที่ใจของตน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 อะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจเมื่อขัดสิ่งที่เป็นมูลทินสิ่งที่สกรปรกทั้งหลายออกจากใจแล้วไม่ต้องบอกว่าใจจะสว่างหรือไม่สว่างสว่างขึ้นเองสามารถฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนอกเหนือจากใจนี้ไปได้ สงครามอนี้เป็นสงครามที่สำคัญมากสำหรับเราแต่ละคนละคนผู้ปฏิบัติศาสนาจึงต้องถือนี่เป็นจุดสำคัญเพราะนี่เป็นจุดเราแท้เป็นจุดแพ้จุดจิตชนะแท้เป็นถึงจุดเป็นจุดตายจุดทุกข์จุดละบาปก็อยู่ที่จุดนี้แท้หุดท้นก็อยู่ที่จุดนี้ได้ชัยชนะก็อยู่ที่จุดนี้